นิสตโตจวิหารตินาจากินจิโลกเอุปาิยติเอวัมตคภิกเขวภิกขุธมเมสุธมานุปัเวิหารติชาสุอาชติกบะเรส charcoal, ุอายตเนสุอายัตนปปังนิวห้ันหอายตนะ12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 วิจิกิจ้าความลังเลสงสัยมีท่านว่าเครื่องกั้นเครื่องกีดเครื่องกั้นเครื่องกีดเครื่องกั้นนี่เป็นนิวรนิวรณ์นี้เป็นธรรมารม์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ธ, ธรรมารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วมันก็กลายเป็นนิวรณ์มาปิดมากั้นเราได้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 แล้วจอะมาที่กายถ้ามันอยู่มันก็ดับย้อนจากกายมาเจอะที่จิตจอะไปตรงความรู้สึกว่ามันโกรธนะมันขัดใจสติกำหนดจดจอตั้งเจจำลองสติเจาเข้าไปมนันก็ดับถ้ามันไม่ดับจอะลงไปด้วยกาหนดแผ่เมตตาเข้าไปอีกเป็นงาน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 กระโดดกลิกปั๊บจับกระโดดปั๊บจับอยู่คิงนิงเนี่ยนี่วิธีแก่ อ, อยู่เกินสติไปไม่ได้เกินสัมผชันยะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งมาหาสติปัฏฐานมาหาสีปัฏฐานถ้าเราเข้าใจมันจะพรุงทะลุปลกปลองไปหมดมันเกี่ยวเข้างในหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเข้อสุดท้ายข้อห้า 5, วิจิกริชฌา ความลังเลความสงสัยสงสัยกับคุณของพระติจา้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็าตามแต่จ่อเข้าไปทิ่จิตสงสัยเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานมันสงสัยสงสัยว่านิพพานมีอยู่จริงไหมเราตั้งใจภาวนาไปเราจะได้อะไได้ทําจริงไหมเนาะมันเกิดความลังเลสงสัยวิจิกิจ๋าความลังเลสงสัย อันนี้สติมากำหนดจดจ่อจอดูปัญหาที่มันสงสัยมันคล่องใจอย่านั้นน่ะสงสัยอะไรจอเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธนี่พระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพุทตื่นผู้เบิกบานมีหรือมีพุทโธพุทโธพุทโธพุธมีหรือไม่มีสติกำหนดจดจ่อรู้เข้าไปนี่วิจิกิจฉาอืม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 ความรู้สึกหมายว่าตามใจตามใจกิเลสนี่เ ร, เริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีขึ้นตามใจความอยากตามใจตังหาอยากพูดสหน่อยหนึ่งมันชวนไปพูดอยากคุยซะหน่อยมันชวนไปคุยอยากกินอยากดื่มเดี๋ยวซะหน่อยมันชวนไปกินไปดื <SU> <Pe> ่มอยากไปยืดเส้นย <any entre> ืดสายซหน่อยมันชวนไปยืดเส้นยืดสายอยากไปยืนสูบปล่อยอารมณ์ซะหน่อยมันพาไปยืนสูบแล้ว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 หากเกิดความรู้สึกเองเกิดความรู้สึกว่าเรามีสติมีสัมปชยยัญญะมีคุณธรรมแน่นหนามัม่นคงเกิดขึ้นในหัวใจของเรากระนกาจ่ออยู่ได้ร้ตลอดความเป็นตัวเป็นตนไม่ปรากฏนี่แหละประตูแรกที่เราพยายามจะทะลุทะลวงเข้าไปได้ให้ถึงโดยเหตุที่เราทะลุไม่ได้ทะลวงไม่ได้